ทางธรรมไม่ใช่ทางโลกเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาทางพระเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องพิจารณาถึงหลักเกินขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าผู้เป็นหลักของระศาสนา ผู้ใดนำความรู้และการดำเนินทุกวิถีทางมาสั่งสอนโลกตลอดถึงพระษาวกผู้ประกาศศาสนาแทนพระพุทธเจ้าหรือช่วยพระภารละของพระพุทธเจ้าให้เบาลงในขณะที่ยังทรงพระชนอยู่หากว่าเราไม่พูดในแน่นี้ มันก็ไม่มีหลักที่จะให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยหหรือหลักศาสนาหลักธรรมฉะนั้นก่อนที่จะพูดไปในแง่ใดแง่เบื้องต้นที่พูดนี้จึงลืมกันไม่ได้ การที่จะเห็นสมควรว่าเป็นรูปใดนั้นสำหรับเราผู้เป็นอาจารย์เองก็ยังไม่แน่ใจว่าสมควรจะให้รูปใดไปพระองค์ใดไปซึ่งเป็นชาวอังกฤษเพราะเวลานี้ต่างองค์ก็ต่างมาศึกษาอบรมเพื่อหาหลักทำหลักใจ อย่างน้อยก็ทรงตัวได้ไม่เสื่อมทั้งด้านปฏิบัติภายนอกทั้งด้านปฏิบัติภายในคือศีลสมาธิปัญญามีเป็นหลักสำคัญของพระที่จะทรงตัวอยู่ได้ด้วยธรรมเหล่านี้หากไม่มีธรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่ภายในตัวเป็นหลักเกณฑ์บ้างเลย ก็จะเป็นทํานองที่ประกาศกันเรื่อยๆมาเอาพระไปประกาศที่นู่นสอนที่นี่ไปตั้งศาสนาที่ไหนก็ตั้งความเล้วไหลเล้วแหลกในสถานที่นั้นพร้อมๆกันเราไม่อยากพบจยากเห็นเช่นนั้นเพราะผิดจากทางที่พระพุทธเจ้าพาประกาศมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอย่างที่เรา สงที่ท่านเคยส่งพระธรรมทูตอะไรอลายไปประกาศศาสนาทางนั้นทางนี้ก็พอเป็นผิวเผินนิดหน่อยแล้วผลแห่งควา ม, มดีก็ตามมาซึ่งมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าผลดีที่ได้อีกมากมายนี่ก็จะเรียกว่าประกาศศาสนานั้นมันก็ไม่สนิทใจเรียกว่าประกาศความชั่วไปเสียดีกว่าทีนี้ผู้ที่จะไป เป็นหลักเป็นฐานทางโน้นอย่างน้อยก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์ทางศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติมีรากฐานภายในจิตใจเป็นที่แน่ใจตัวเองนี่เป็นหลักสำคัญของการจะยังผู้อื่นให้มีความเชื่อความร่วมใส่ขึ้นมาเพราะตนประพฤติตนเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจของตนได้ดีแล้ว ก็เป็นเครื่องดึงดดบุคคลอื่นได้ด้วยความจริงที่ตนประพฤติปฏิบัติและเคยรู้เห็นมาหากมีแต่ความจําเฉยๆจาได้หมดทั้งประกรปีดกมันก็มีแต่ความจําไม่มีความจริงตกข้างอยู่ภายใจิตใจบ้างเลยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะยังตนให้มีหลักมั่นคงภาณใจิตใจได้และ ไม่อาจที่จะยังผู้อื่นให้เกิดความเชื่อความลิมใสยถึงความจริงนั้นได้เพราะตนไม่มีความจริงมีแต่ความจําคนอื่นก็จะพลอยจะจําไปตามๆกันเลยให้หลักเกณฑ์ของศาสนาหรือหลักเกณฑ์แห่งความ ม, มุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะล้มเหลวไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะที่ว่าองค์ใดเป็นผู้สมควรจะไปอยู่ในอังกฤษได้ นั้นอาจารย์เองจริงไม่กล้าที่จะยืนยันได้เพราะท่านที่มาอยู่นี้แม้จะเป็นชาวกรีฑท่านก็กำลังอบรมศึกษาเพื่อหาหลักเกณฑ์ภายในจิตใจยอยู่ตลอดมาหากว่าท่านมีหลักเกณฑ์เป็นที่แน่ใจตนเองจะทรงตัวไว้ได้ข้อวัดปฏิบัติที่เคยประพฤติปฏิบัติมาและภายในจิตใจมีความตั้งมั่นดูโดย หลักธรรมอย่างน้อยสมาธิและปัญญาแม้จะไม่เป็นขั้นละเอียดก็าตามเป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะจากการปฏิบัติของตนนั่นก็ยังจะพอยังผู้อื่นให้เกิดความเชื่อความนุ่สใยได้และตนเองก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยหลักธรรมอันนี้และประพฤติปฏิบัติตนต่อไปด้วยความมีหลักมีเกณฑ์ นี่เป็นหลักใหญ่หากจะส่งกันไปสุม4ีจุมห้าอยากได้พระแล้วก็เอาไปเอาไปแล้วเวลาถ้าเกิดความไม่ดีงามมานั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นจากพระผู้ที่ถูกนิมนต์ไปนั่นแหละหนีไม่พ้นเพราะทั้งพุตธการร้อยทั้งร้อยพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนพระองค์เป็นสัสว์่มควรเป็นศ า, นศาสดาได้แล้ว จึงสั่งสอนผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าให้โดยลำดับลงมาก็พระษาวกอย่างน้อยเป็นพระรยบุคคลพระองค์ท่านจึงจงไปประกาศศาสนาเพราะเห็นแล้วว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้แน่นอนต่อทำต่อวินยัยไม่เสื่อมเสียแ น, น้จะไม่เกิดประโยชน์เพียงไรก็ตามท่านผู้นี้ก็ตั้งตัวได้อยู่เสมอไม่เอเอียงไปตามโลกธรรม ท, ทั้งหลายและไม่ยังตนและศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับตนอันเป็นส่วนรวมนั้นให้เสื่อมเสียไปได้นี่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าที่นำศาสนาออกประกาศสอนหมู่ชนท่านทำอย่างนี้ท่านนี้หลักทมหลักวินัยนั้นก็คงเส้นคงวาที่จะสามารถยังผู้พืป้ปฏิบัติตามให้ได้เห็นมกักเห็นผลเห็นความมั่นคงขอ ง, ของจิตใจเช่นเดียวกับครั้งพุทธการ หากว่าเราได้พยายามประพฤติปฏิบัติตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับแล้วเราก็ควรจะมีหลักใจเป็นที่แน่ใจต่อตนได้แล้วก็เป็นที่แน่ใจในการจะอบรมสัางสอนผู้อื่นให้เป็นไปได้ตามกำลังแห่งจิตของตนนี่เราแน่ใจหากตนของตนไม่มีหลักใจ สมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจําได้แต่ชื่อปัญญาก็จําได้แต่ชื่อศีลก็จะกลายเป็นรุ่มๆุ่มโนโดนไปเพราะหลักจิตไม่ไดีเนี้ยจะมีแต่การแนะนําสั่งสอนคนอื่นไปโดยลำํำดับก็เลยกลายสอนคนอื่นแล้วหรือคือมองข้ามตนไปเสียตนก็เลยจะเละเทะไปหมดนี้เมื่อตอนเละเทะซึ่งเป็นรากเน่าสําคัญที่อยู่กับตนนี้เป็นความเละเทะแล้ว คนอื่นก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นอันนี้ก็ไม่ใช่ของดีจึงควรพิจารณาด้วยดีการเห็นใจกันความสงสารกันมนุษย์ดาวละเป็นที่หนึ่งเพราะได้เรียนอัดเตรียมทมพอเข้าใจท่านเข้าใจเราทำไมจะแยกกันออกได้หระอแยกกันไม่ออก ระหว่างคราวาดกับพระในเมื่อมีคุณงามความดีที่พอจะแนะนำสั่งสอนกันได้มากน้อยแล้วก็ต้องสั่งสอนกันไปแต่อย่างไรตัวต้องเป็นตัวประกันนี่เป็นหลักสำคัญของการประกาศศาสนาถ้าเอาขนแต่ความจำไปสอนกันนี้เรื่องราวมันก็ไม่ายใจอะไรภายใน จ, ใจิตใจ ไม่นานก็เหลวไปเหลีวไปเรื่อยๆแล้วก็เลวไปเลยนั้นเราไม่ต้องการความเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอาจารย์เองจึงไม่กล้าจะชี้ว่าองค์ไหนเห็นเห็นสมควรองค์ไหนอย่างหนึ่งก็ให้ท่านผู้นั้นชี้เองด้วยเหตุผลของตนว่าตนเป็นผู้สมควรจะ ไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้เพราะเหตุนั้นนั้นนี่พร้อมที่จะฟังอยู่เสมอถ้าหากยังไม่แน่ใจแล้วตัวเองนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะยังผู้อื่นให้รับประโยชน์ได้จากตนจึงควรสนใจตนให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วนำความแน่นหนามั่นคงนี่แหละไปเป็นตัวยืนในการแนะนำส่งสอน พุทธบริษัทจะเป็นผลเป็นประโยชน์มากคาว่าศาสนาจเจริญ น, นั้นจเจริญด้วยการปฏิบัติจเจริญทางด้านจิตใจไม่ใช่จเจริญด้วยการศึกษาเรื่อเรียนแล้วจำกันได้สอบเป็นป ร, ริญญาเท่านั้นเท่านี้จนกระทั่งจบพระไกปิฎกว่าศาสนาจเจริญไม่ใช่เป็นแต่เพียงความจาเจริญแต่จิตใจไม่ได้โผล่หัวขึ้นมา จากถึง่งกดขี่บังคับคือฝ่ายที่ต่ำนั้นแม้แต่น้อนเยเลยอย่างนี้จะเรียกว่ า, าศาสนาเจริญไม่ได้คำว่ า, าศาสนาเจริญต้องเจริญที่ใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งรู้จักเหตุจากผลมีความเฮริโอตาปะละอายกลัวต่อบาปกรรมทั้งหลายด้วยความเห็นจริงภายในจิตใจจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นที่แน่จเรียกว่ า, าศาสนาเจริญ ความต้องการศาสนาเจริญตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาก็ต่างต้องการแบบเดียวกันไม่ใช่ต้องการศาสนาเจริญด้วยความจดจำได้เฉยๆอันนั้นใครๆก็เรียนได้จำได้แม้แต่เมืองอังกฤษคำภีก็มีเยอะไม่อดอยากไม่จำเป็นจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเมืองกับครูบาอาจารย์หรือเมืองนั้นเมืองนี่ที่ท่านปฏิบัติดีคาว่าท่านปฏิบัติดีก็ต้องเล็งถึงผลที่ท่านพิงได้รับด้วย ในระยะนี้จริงพูดเพียงแค่นี้ก่อนแล้วให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านทั้งหลายเรานี่ฟังและต่อไปมีอะไรแล้วค่อยสนธนากันไปเรื่อยๆต้นเนียเทพจะดับก็ได้ถ้าพูดแบบเอิน ก, ก็คงคงเอิอาทจบอนเข้าครับเออ่อเาเก็รู้ว่าเรื่องเรื่องงานขุดของราชสำคัญทีนี้ กัวัตาอาชันชาเจ้าพยายาสอนในที่นั้นว่าจะในพระมหักายจะไปที่นั่นได้ได้งับทุกเมื่อว่าก็จะไม่ให้พระธรมยุตไปประสมขันได้ครับนั้นแล้วก็การลวว่า ทายนั้นทกไปจะเป็นประทรงงเคราะห์งผูกยางที่มอนตายงกับแลที่อังกฤษนัเ่อกินไกลกับที่มันไทยก็รู้สึกความดีกวาทํานี้แค่เดียว น, นั่นก็เป็นเรื่องของอังกฤษจะพิจารณาเองนะวความจริงท่านก็พูดให้ฟังแล้ว <Okay. S 1> น, นั่นอย่างที่ผมพูดก็พูดให้ฟังแล้วอย่างนั้นท <Okay. S 1> ่านกระจายหรือที่พูด <Okay. S 1> อันนั้นจะเอากี่คณะหรืออะไรก็แล้วแต่ทางโมน้นอ <Okay. S 1> ่นนี้ไม่ได้ว่าอะไรพูดให้ฟังตามความจริง <Okay. S 1> ความจริงมันเป็นอย่างนั้น อย่างนี้กว่าง่ายพูดกันจาต้นเท่านี้ถ้าสมมุติว่าถานนไปแล้วก็ไม่รับทางนี้ใช่ไหมเมื่อว่าไม่ใช่รับไม่ได้แต่ทางนี้ก็ไม่ไปเนี่ยมันก็นยากอะไร <c oughs> มันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่ความดีคนดีเรารับได้ทางนั้นแหละมีกี่คนยังรับได้แต่ลูกเราเกิดมากี่คนเรายังเลี้ยงมันได้ครูบาอาจารย์เป็นผ้ไม่ว่ากคณะไหนแต่เป็นดีแล้วทําไมจะ ปฏิบัติกับท่านไม่ได้รับท่านไม่ได้อพิรันธีตรงนี้อะจะมีกี่นิกายท่านท่านดีก็รับท่านได้เป็นอะไรไปเรื่องธุรกิจสางการเป็นหน้าที่ของท่านเป็นเรื่องของท่านต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปจะรับภาระมากมายกับกองพอที่จะเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมาอย่างนี้เมืองไทยนี่ก็มีสองนิกายท่านกัอหูงท่านได้ถ้าเห็นเป็นอะไรกัน ชาวอังกฤษมีความต้องการดังนั้นก็เข้าใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนี่พ่อลูกพ่อมันเกิดพ่อมันลายลูกมันก็ต้อ ง, ลงไลยว่างเลเหมือนอย่างเสือนี่ไทเกอร์เกิดขึ้นมาลูกมันก็ลายแล้วพ่อลายแล้วลูกไม่ใมันลไล่นี่ อันนี้ออกมาจากเมืองไทยเมืองไทยก็มีทั้งทำยุทธมีทั้งมหานิกายแล้วไปถน้นจะเป็นลบล่างองหมดให้มีแต่อันเดียวอันเดียวจะเอาอะไรก็เขาเอาหรือว่าเอาเอาผ้าไปรวมกันเอาผ้าไปมัดคอติดกันนี่ถ้าถท่านไม่ไม่ใช่กบไม่ใช่เขียดไม่ใช่หนูพอจะมัดคอติดกันม่าท่านมาสมควรถ้าจะไปท่านก็ไม่ไปเท่ถ้าถน้นไม่ยินดีท่านก็ไม่ไปแต่ถน้นยินดีท่านก็ท่านก็ไป กีนิ้่งกายก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ขึ้นที่ว่าความดีแล้วผู้ดีแล้วน่มันก็มีเท่านั้นเองเอาความดีเท่านี้แต่มีกี่นิ้่งกายมันก็ดีเว็นไรไปอันไหนที่มันมันขาดพระเวินัยที่จะมันจะเป็นไปไม่ได้ก่อนเราตั้งใจจะเป็นพุทธบริสันแล้วนี่ก็เราก็อย่าเอาไปให้มันขาดสิอันนั้นมันขาดแน่เหมือนก็เท่านั้นเองอันไหนมันจะดวกตามหลักพระเวไนท์เราถือพุทธทางธัรมนังกาชามิเราก็เดินตามนั้น ลูกเรากี่คนเรายังเลี่ยงได้เรายังดูได้ว่าไงทำไมภาพทีงสองนี่กายจะเข้ากันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้รับไม่ได้ฮหะอ้าวอพูดให้ฟังท่านชามเสด็จไหนยังไม่ฟังดูเขาที่วายยังม่เขาไม่กมหญิงอี่ไว้ที่พิคุสลิฟติ้งที่เกิดในทาง living with อย่างมีข้อขั้นตรงไหนที่ว่านี่มีที่ขัดแย้งตรงไหนที่ผมพูดให้ฟังนท้อนสายตรงไหนนี่ต้องสายตรงไหนฮะฉันขอรัเอาอทําความเข้าใจคือมมายควาเข้าวทีชั้นเข้าใจเนี่ยจะเป็นันิใช่หรือเปล่าที่่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นี่ยคือว่า น, นั่ค่ะแปลว่าก็อิ่งในสังฆะคลาสเนีก็เหมือนพ่อแม่น่ะจะเลี้ยงลูกอ่ะมีลูกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้นั่นค่ะว่าจะทั้งอาหารนิกายธรรมยุทธ์ก็ท่าดีเท่ากันอะไรเท่ากันเหมือนกันหมดยังมัก็อยู่กันได้แต่ว่าจะไปเกี่ยวยุ่งกับเรื่องสังคมเกิดองท่านทำไมอะไรอย่างนี้อืมใช่หมครัใช่ก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องของท่านท่างหากเป็นเรื่องของท่านออ ถ้าท่านไปครอบสี่องค์มานก็ทำปาฏิโมกกันไปาท่านไปในครอบสี่องค์มันก็ไม่ทําปาฏิโมกแล้วเวลาที่ทำปาฏิโมกก็ไม่ต้องมีใครมาเห็นมาดูมันเป็นเรื่องอินไซต์เพราะงั้นก็อาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้ที่ว่าจะได้ไปแสดงให้ตากฏว่าถ้าพระวินัยถึงกันดีเท่ากันจริงธรรมะดีเท่ากันจริงปาฏิโมกข์เร็มเดียวกันจริงเนี่ย ก็อันหนึ่งเดียวกันได้เราไปแสดงที่เมืองอังกฤษให้คนไทยข า, ายหนา้าให้เข็ดเป็นก็นดมือนกันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นวามว่างไงล่ะลงกันว่างไงล่ะบอกแล้วที่ลงกันว่างไงสภาสภาสภาหนูเราเน่ะลงว่างไงพวกเรานี่พวกสภาหนูไม่ใช่สภาแมว <c oughs> <c oughs> แล้วว่างไง ท่านสเว่าเออเสินสุยพ่าจะว่าท่านเมตโแปลให้คุณเสินสีเขาแลแล้วเขาได้ได้พูดเรื่องนั้นเอ่อว่าเรื่องสังเกตุคำเออเขาจะว่านยมุนชยนี้ทำในในระธมยุทธปาริมาฮนิกาว่ารืองมานิกายปาริธรรมยุ เออเขาไม่ก uh, ่อนจะรวมกันทำสัเกตการณ์ครับในเดนมาร์กผ uh, ู้ใหญ่ท hmm. uh, ี่ทำมีไล <im> ่พลายของมิลต้วอร์แล้วก็พลายพวกเอิญภายที่นั้นาจะแสดงปริดครับใทีนั้นใช่เป็นวิธีเออในเขาเข้าใช้ว่าจะนพูด เรื่องเรประทัมและปฏิบัติก็ยุ่กันได้แลยไม่มีรายกัดค้อจะเรื่องสังเกตการอย่างนั้นก็นั่นจะจะเป็นเรื่องพวกนี้หรือพกนั้นครับแต่ถ้าหากว่าเรามีทําจริงมันมันก็มีปัญหาอะไร mm hmm. ที่เําบอาคำาาว่าวนายเนี่ยก็คือจะมีคนผิดคนถูกมีคาะนั้นคณะนี้เขาไปเกี่ยวไปคล้องระยุ่งกันอยู่นั่นหะที่ อันนี้ที่มันเป็นปัญหาอย่นี้นะในเมืองอังกฤษก็ไม่ใช่มีแต่เมืองอังกฤษเท่านั้นแล้วเมืองไทยก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกันเมืองอังกฤษนั่ก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเมืองไทยอย่างนี่อ๋อแวัดนั่นวัด น, น, นี่นั่นวันนี้วัดธรรมยุทธ์วัดนั้นวหานิกายนี่แหละตรงเนี้ยคงเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ท่านรักษาเ ป, เป็นเป็นส่วนใหญ่ว่านี่เพื่อรักษาส่วนใหญ่นั่นเองผู้หญิงว่าไงนะไปไหนผู้หญิงอ่ะอยู่ยูเนี่ยค่ะอืม ฮคือว่าบางทีเราไปเข้าใจว่าคนจะดีเหมือนกันเพียงเท่าไรเหมือนกันนั่นแล้วนั่นเดี๋ยวนี้ยุ่งคือว่าครไม่มีเฉพาะเท่านั้นมันยังจะเกี่ยวมาจากทางโน้นเกี่ยวมาจากทางนี้เออหลังจากหลายทางก็มาทั้งทั้งสองคณะนี่ใช่ไหมล่ะคณะใดคณะหนึ่งก็จะต้องเข้ามาประสานนี่แล้วจะปฏิบัติยังไงที่นี่มายุ่งกันกันรักษาไว้นี่เพื่อส่วนใหญ่นั่นเอง ที่ท่านว่าไว้นี่เหมาะแล้วที่ท่านทําไว้นั้น่ะเหมาะแล้วยุ่งได้ที่หลังยุ่งได้ที่หลังยุ่งที่หลังได้ท่านทำไว้นั้นเหมาะแล้วอันนี้มันไม่ยุ่งนี่ก็เพียงเท่านั้นอย่างที่ว่าใช่ไหมล่ะมันไม่ยุ่งถ้าเป็นอย่างนี้มันจะยุ่งภายหลังอที่ท่านทำไว้นั้นผมว่ามันเหมาะแล้วท่านผู้หญิงเห็นด้วยไหมที่ว่าเพราะมันมันจะไม่มีเพียงเท่านั้นที่ ในรอนดอนก็นดีใช่ไหมท่านนี้มันก็จะไปนี่ก็จะไปท่านุ่ก็จะมาแล้วไม่ทราบวา่าใครเป็นใครคแล้วจะมายุ่งที่หลังอันนี้มันจะยุ่งที่หลังที่ท่านทําให้เป็นผแน่งผนแหน่งนี่มันเหมาะแล้วสนุกปฏิบัติใครในหน้าที่ของใครตามเออตามกฎตามคณะของใครก็ให้ทําไปเลยนั่นมันสะดวกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะยุ่งภายหลังแน่นอนทีเดียวท่านทํานั่นเหมาะแล้ว อาตาภาพว่างนั่นเหมาะแต่ไม่ยากพี่น้าที่ถือผมว่า น, นี่เหมาะเพราะมันไม่มันจะ ม, มีเฉพาะเท่า น, นั้นนี่ยุ่ย ง, งรู้สึกวา่าชอบมีผู้มีลักหลักธรรมครับที่ชาย เพราะยังนี้ก็อาจจะไม่ถึงเป็นปัญหาใ่าก็ใช่ถ้ายัางตั้งตะกรันพระพุทธเจ้านะทั้ทงวัตกรรมหลวงพุทธเจ้ามีอยู่นะมันก็ไม่ยากอะไรเลยพอพัดแตกสามอเคีกันปุ๊บนี่ก็แยกหเป็นคนอนิกายไปเลยทันทีนห้พอเข้ากันได้ในรวงความเห็นในตามหลักธรรมในเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ให้เข้าร่วมกันทันทีนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ไม่ทราบไง อำนาจที่จะเป็นไปอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ <Okay. S 2> มันที่ตรงนี้เองที่ท่านคณะใหญ่ท่านทํำมาไว้แล้วมันก็หมาะแล้วแหละ <Okay. S 2> ทั้งพุญการมีนี่เวลาพ้าแตกกัน <Okay. S 2> ระหว่างทำมังก็ถึกกับวินัยทรนแตกกัน <Okay. S 2> สองฝั่งในระหว่างนั้นเลยไ ม, ไม่ไม่ทํำธนกรร่วมกันเลย <Okay. S 2> ต่างองค์ต่างต่างคณะต่างทำ <Okay. S 2> เมื่อลงกันแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาพิจารณาเรื่องอีิกรลงกันหมดแล้วก็รวมกันได้ทันทีเนี่ย okay. มีพระพุทธเจ้านะอันนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่โพสต์อย่างที่ว่าแล้วมันจะวุ่นวายอย่างว่าถ้าอย่างนั้นที่ที่มันเป็นอยู่แล้วนี่มันก็เหมาะแล้วธรรมดนานแล้วอ่าเไปทำอย่างนั้นเลยลเมื่อเกิดความวุ่นวายมาทีหลังแเราทําไงที่หาหลักที่ไม่ได้ว่าใครเป็นอะไรเอา้าแล้วไม่สราบว่าใครเป็นอะไรแล้ยุ่งกันหมด แล้วจะใครจะว่าใครเป็นมหาวิการใครจะว่าใครเป็นรมยุทธ์มันกยุ่งเลยนกธนเป็นกายไม้ครับแล้นมันมันมันก็มีข้อตายตัวแล้วปลดวางไปแล้วมันก็สะดวกแล้วอย่างทุกวันนี้หมออ้าวปฏิบัติมาที่เรื่องงหลักทำหลักวิทย์ใเพื่อมรรคผลที่พานเอาไปคณะนั่นเป็นยังไงเอาให้ปกครองกันไป คณะนี้เป็นไงเอาปกครองกันไปดีไม่ดีไม่ดีดุด่าว่ากันไปลงปลุกทรมานกันไปหัวดันไปเครียดกันไปก็ได้คณะนั้นเหตุคณะทำอย่างนั้นก็ได้นะหนีลูกของเรามีกี่คนเอาปกครองเอาว่าเอามนีลูกของเรามีกี่คนปกครองกันเอาอ่มันสะดวกเหรอพอมาครเข้าก็ให้ลูกสองแม่มาอยู่ด้วยกันทัก็ยุ่งกันแล้วไม่ทราบว่าใครจะมาตัดสิน เอาเอาแม่นมัรร้นมาตัดสินก็ว่าลูกเราถูกเอาแม่นี้มตรราตัดสินก็จะลูกเราถูกทนี่ตกลงก็ยุ่งกันใหญ่ <laughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> นั่นเปนสงครามนะ่ะอะมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านทำไปแล้วมันเหมาะแล้วผม <c oughs> ผมก็มีขี้ค้านเพราะมันมีอยู่างนั้นแล้วจะทําไงนะถ้ามันไม่มีเรามาทําให้มีก็เป็นอีกอย่างมันมีงั้นแล้วแต่ที่เวลาเราสมมติเ ร, เราจะรว ม, รว ม, รวม ai, นั้นจะรวมด้วยเหตุได้นี่ถ้าเราไม่สามารถรวมไปแล้วมันก็จะยุ่งนี่มันไม่พ้นยุ่ง เราทำเมื่อไม่ค้นยุ่งแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้มันไม่ยุ่ง mm. ก็อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเ mm. มื่อเราเทียบทั้งสองอย่างนี้มันอย่างนี้มันดีอยู่แล้วเราพูดตามเหตุผลนะเนี่ยเราไม่เข้าใครออกใครหละ่ะผมไม่เข้าใครออกใครงั้นละ่ะผมพูดตามทางเหตุผล mm. อันนี้ไม่เทพอะไรละเราพูดเพียงตอนนี้ก่อเขาต้องควร mm. นะ